รุ่นหลายคนนะตอนเป็นเด็กก็เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายแต่พอโตขึ้นนะก็กลายเป็นคนเกเรที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าคบเพื่อนที่ไม่ดีเขาไปปั่วพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าใบายามุกเช่นเหล้า แล้วก็ถูกชักลากพาไปเกี่ยวข้องกับอาวุธทั้งหมดเนี่ยมันผสมกันนะทำให้กลายเป็นกฎที่เกเรแล้วก็เกิดพลังเผลอพลังพลาดอาจจะไปทำร้ายผู้คนหรือบางทีก็ถึงกับฆ่าคนตายก็ต้องติดคุกติดตาราง ถาอายุต่ำกว่า18บก็ต้องเข้าสถานพิธิตก็เรียกว่าชีวิตนี่อนาคตนี่ก็แทบจะดับบูบไปเลยและส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยนะวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเนี้ยออกจากบ้านหรือว่าถูกผลักออก จากบ้านก็เลยไปล้องแวะหรือไปคบเพื่อนที่ไม่ดีซึ่งเพื่อนเหล่านั้นที่จริงก็มีความเป็นมา ค, คล้ายกันอาจจะเป็นเด็กที่เคยเป็นเด็กที่เรบร้อยมาก่อนพอเป็นวัยรุ่นเข้าก็กลายเป็นเกเรแล้วก็ถูกปรับออกจากบ้านไปรวมกับเป็นแก๊ง ท่านถามว่าทำไมเนี่ยจึงเนื้อชากบ้านหรือว่าถูกผลักออกจากบ้านอาจจะเรียกว่าลอยท้องอยเหลือก่า้าได้นะเป็นเพราะว่าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะทะเลาะ ก, กันเป็นประจำจนกรทั่งลูกนี่ร้อนรุ่มไม่มีความสุข เ, เวลาอยู่บ้าน หรืบางทีพ่อแม่ก็ชอบดุด่าว่ากล่าวลูกลูกก็เรู้สึกว่าในบ้านมันไม่ต่างจากนรกนะหรือว่าเป็นคุกเพราะว่าการดุด่าว่ากล่าวมันก็มักจะตามมาพ่อการบังคับแล้วจ น, นไม่น้อยเนี่ยก็เพรา ะ, พ, ราะาพ่อแม่ไม่มีเวลาแต่มันไปด้วยกันนะพ่อแม่ทะเลาะ ก, กัน ดูดาว่ากล่าวลูกแล้วก็ไม่มีเวลาและที่สาคัญจะประการนีคือพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ได้ฟังลูกเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ยินความคิดหรือความต้องการของลูกก็มีวาัาหนึ่นนึงก็บอกนะเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยฟังลูกเลย สิ่งที่เขาราสนาคืออยากให้พ่อแม่เนี่ยได้ยินความต้องการขเขาบ้างอันนี้ผมไม่ใช่เป็นความเห็นหรือความรู้สึกของวัยรุ่นคนเดียวนะหลายวัยรุ่นหลายคนที่มีปัญหาพฤติกรรมจนต้องมาลงเอยในคุกหรือว่าสถานพินิษเนี่ยเรียกว่าเกิด ร, ร้อยท้องร้อยเลยเนี่ยเพราะว่า พ่อแม่ไม่ได้ฟังไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับลูกไม่มีใจที่จะเปิดเพื่อที่จะได้ยินว่าลูกต้องการอะไรแล้นี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นที่ถูกผลักออกจากบ้านหรือว่าเนื้อจากบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านที่อยู่บ้านจำนวนไม่น้อยก็มีความทุกข์ ด้วยเหตุผลคล้ายๆกันไอ้การที่พ่อแม่ได้ยินหรือได้ฟังความคิดความต้องการของลูกนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเ่็งน้อยก็ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความใส่ใจหรือว่าเวลาเขามีความทุกข์ แล้วเได้มีโอกาสเล่ามีโอกาสพูดหรือบางทีแม้ไม่พูดแม้ไม่เล่าแต่พ่อแม่ก็รับรู้ได้อ น, นี้นก็ช่วยลูกได้มากและทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะขี่ขายความทุกข์หรือบางทีก็รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วย แต่พอพ่อแม่ไม่ฟังลูกไม่ได้ยินความต้องการของลูกเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาบางทีก็ไปบังคับลูกนะให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบไปมีอาชีพที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ปรารถนาก็เรียนที่ความทุกข์ แล้วก็พอมีอาชีพก็มีอาชีพที่ไม่ได้รักก็ทำให้อยู่ไปวันๆนะแล้วทำงานด้วยความเครียดนี่สำคัญมากเลยนะการฟังพ่อแม่ถ้าฟังลูกลูกก็ จะกลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้มีความสุขในหลายคนก็รู้สึกแบบจริงจงนะหลังจากที่ต้องชดใช้โทษที่ได้ทำผิดในสถานพินิจแล้วพ่อแม่เริ่มที่จะเข้าใจลูกแล้วก็เริ่มที่จะฟังลูกมากขึ้น ไว้ลูกหล้วคนก็รู้สึกเลยนะว่าเนี่ยเขาเข้าได้พ่อแม่กลับมาแล้วส่วนพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเออได้ลูกกลับมามันมีการคืนดีกันมันมีการกลับมาอยู่ร่วมกั น, เ, นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่ฟังเสียง หรือได้ยินความต้องการของลูกเท่านั้นนะที่จะทำให้พ่อแม่ลูกเนี่ยกลับมาคืนดีกันกลับมามีความสุขคนเราแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็การได้ยินได้ฟังเสียงภายในของตัวเองนี่ก็สําคัญเหมือนนั้นนะถึงแม้เราไ ม, ไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่แต่ว่าเราทุกคนก็มีจิตมีใจ แล้วถ้าว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรือความต้องการภายในใจของเรามันก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะทำให้เกิดความแปลกแยกภายในก็ไม่ต่างจากครอบครัวที่เกิดความร้าชานนะระหว่างพ่อแม่ลูกพ่อไม่ฟังไม่ได้ยินความต้องการของลูก คนที่ไม่ยินนะความต้องการภายในจิตใจของตนเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเล้าฉานภายในนะเรียกว่าเกิดความแปรแยกกับตัวเองได้หลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรเพราะอะไรนะเพราะไปปล่อยให้เสียงจากภายนอกเข้ามามีที่พลนะต่อตัวเองมากไป เสียงจากสังคมเรียกว่าค่านิยมงสังคมที่เขาบอกว่าออต้องรวยนะต้องมีชื่อเสียงต้องมีเงินมีทองมากๆต้องมีรถมีบ้านหลายคนเนี่ยก็ไปฟังเสียงจากภายนอกมากไปเสียงจากสังคม โดยที่ไม่ได้สนใจนะว่าภายในเนี่ยในใจของตัวเองเนี่ยมันต้องการอะไรผล ก, ก็คือไปนำพาชี่ยไปในทางที่ทำให้เกิดความเหินห่งเหินห่างแปลกแยกยกับจิตใจของตัวเองมากขึ้นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีสถานภาพนะแต่ว่า ไม่มีความสุขบางคนเรียนหมอด้วยความทุกข์นะเพราะว่ารู้สึกข้างในวันมันไม่ใช่เป็นวิชาที่ตัวเองชอบแต่ละคนนะบางคนนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองนี่มีความใฝ่ฝันอะไรก็เลยนะเรียนตามกระแสหรือปล่อยช่วยไปตามกระแส กระแสสังคมรวมทั้งอาจจะเป็นกระแสหรือความคาดหวังของพ่อแม่เขาคาดหวังให้เราเป็นหมอเพราะเราเรียนเก่งก็เลยเรียนแต่ก็กกว่าลึกๆข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ บางคนก่อจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนี่ก็โน่น no, เน่ยเรียนไปเกือบจบแล้วหลายคนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นวิชาที่เราชอบหรือไม่ใช่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันแต่ว่าก็เลยตามเลยเรียนจนจบหมอแล้วก็ไปเป็นหมอแต่เรืองๆก็รู้สึกว่าไม่ใช่ แล้ก็มีบางคนนะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรนะแล้วรู้ว่าเนี่ยหมอนี่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันก็ถึงก็เลิกเรียนกลางคันเลยก็มีนะยังมีนักสัพเพกคนหนึ่งเนี่ยติดหมออันดับต้นๆเลยนะแต่พอเรียนมาถึงปีสีนี้ แกลดลงความกล้าไปบอกพ่อนะว่าผมไม่เรียนแล้วหมอผมไม่ชอบไม่ชอบเห็นเลือดไม่ชอบเห็นาบาดแผลผมไม่ถนัดนะในการรักษาคนาผมจะไปเรียน MBA แทนเพราะผมรู้ว่า ผมใหญ่เป็นนักวิเคราะห์การเงินเขาก็ตัดใจนะเปลี่ยนหันเหวิชาที่ตัวเองเรียนเพราะอะเพราะว่าเขาได้ฟังได้ยินนะเสียงภายในว่าอะไรคือความต้องการอะไรคือความใฝ่ฝันของตัวเองอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนเนี่ย เรียนหมอแท้ๆนะแต่ว่าชอบเล่นกล้องชอบถ่ายภาพแต่ว่าพ่อแม่คัดหวังว่าเนี่ยให้เรียนให้จบก็ทู่ซื้อเรียนจนจบนะแต่พอเรียนจบแล้วขอพ่อแม่ไม่เป็นหมอนะ จะเป็นช่างภาพอิสร ะ, ะถ้าได้พ่อแม่ที่เข้าใจนี่ก็โชคดีนะแต่ถ้าไม่ได้พ่อแม่ที่เข้าใจนี่โอ้ยทุกข์มากเลยแต่ลายนี้เนี่ยพ่อแม่นี่แม่จะไม่เข้าใจแต่ก็ยอมรับได้ก็ยอมให้ลูกเนี่ยไปเป็นช่างภาพทั้งที่เรียนหมอมาสปีแล้วแล้วก็ได้คะแนนดีด้วย อันนี้เป็นเพราะว่าเขารู้จักฟังเสียงภายในนะจกนกระทั่งแน่ชัดเลยนะว่าอะไรคือความฝ่ายฝันของตัวเองแล้วก็เดินตามทางนั้นไปเมื่อบางคนที่ทำธุรกิจมานานแต่ตอนหลังรู้สึกว่าไม่ใช่ลาออกมาทำสวนลองมาปลูกผักออแ ก, กนิก พอรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ได้ช่วยโลกแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเงินเดือนอาจจะไม่มากไรายได้อาจจะไม่เยอะแต่มันก็เติมเต็มเติมเต็มจิตใจคือทำแล้วมีความสุขให้เสียงภายในบางครั้งเนี่ยมันก็ บอกให้เรารู้นะว่าอะไรคือความปรารถนาที่ลึกซึ้งของคนเราอะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆและชวะลึกๆทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเสียงเสียงจากภายในนะที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรคือความสุขที่เรา ที่จิตใจส่วนลึกปรารถนาซึ่งมันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่อาชีพที่มีหน้ามีตาคนจำนวนไม่น้อยเลยนะก็ฟังเสียงของสังคมเดินตามกระแสของสังคมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่ก็ไม่มีความสุขสักที่พราชื่อมันบุ่นวายอะค่ะที่ส่วนลึกนี่ปรารถนาความสงบ บางคนเนี่ยมารู้ว่าตัวเองต้องการความสงบนะก็ตอนที่ได้มาเจอสิ่งแวดล้อมเจอสถานที่ที่มันเงียบสงบสงบับอย่างบางคนเนี่ยนะพอมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเห็นชีวิตที่เนิบช้าของผู้คนและเห็นบรรยากาศที่สงบสงบับ มันเกิดความรู้สึกที่เด่นชัดขึ้นมาเลยนะโอ้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าการที่จะหันเหชีวิตเนี่ยนะวิถีชีวิตเนี่ยจากชีวิตที่มันว้าวุ่นแต่ว่ามันนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทอง ไอการที่ะลาทิ้งวิธีชีวยแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้แจ่มชัดในความต้องการภายในต่อเมื่อเจอความทุกข์นะเจอความทุกข์จากวิธีช่วิที่มันแม้จะมีชื่อเสียงเงินทองมากมายแต่ว่ารุ่มร้อนเครียดถึงจะเริ่มโหยหาความสงบแล้วถึงตรงนี้แหละนะ ไอ้เสียงภายในเนี่ยมันก็จะดังขึ้นและทำให้หลายคนเนี่ยกล้าที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวอาจจะยังรักยังมีอาชีพเดิมนะแต่ว่ามาให้เวลานะกับการภาวนาการทำสมาธิหรือว่าการทำกรรมฐานมากขึ้นซึ่ง อาจจะสร้างความสงสัยให้กับผู้คนจนวนมากไว้ทำไมถึงเปลี่ยนมามาสนใจเรื่องแบบนี้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่บอกเขารู้จักนะฟังเสียงภายในที่จริงไม่ใช่เสียงของจิตใจอย่างเดียวนะที่เราควรจะใส่ใจเสียงของร่างกายเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน าบางครั้งเนี่ยร่างกายเรามันก็ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณอุดทอนนะบางคนที่ทำงานหนักนะเพราะว่าอยากจะได้รับการชื่นชมสรรเสริญอยากจะมีหน้ามีตานในสังคมอยากจะร่ำอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆแต่ก็ทำงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อน คนเหล่านี้เนี่ยทีร่างกายมันก็ส่งเสียงเตือนเป็นระยะระยะนะว่าพักผ่อนเสยที่ฉันไม่ไหวแล้วบางทีไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างเดียวนะแสดงอาการออกมาด้วยประท้วงเช่นเจ็บป่วยอาจจะเริ่มต้นจากความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ต่อมาต่อมาอาการก็รุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น ดยบางทีถึงจุดหนึ่งนี่น็อกเลยนะบางทีหัวใจจุดเต้นไปเลยเพราะว่าร่างกายมันมันไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเพราะผู้คนเนี่ยปล่อยให้เสียงภายนอกเนี่ยมันมากรบเสียงภายในมากเกินไปถ้าเรารู้จักเสียงฟังเสียงภายในบ้างนะแมอจะเป็นเสียงจากร่างกายและเสียงจา ก, กจิตใจเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ไป ซ้ำเติมหรือสร้างความทุกข์ให้กับกายและใจของตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะการที่คนเราบางครั้งคนเราเมื่อฟังเสียงหรือใส่ใจกับเสียงภายในไม่ว่าจะเป็นเสียงไกาหรือใจเนี่ยมันาจะต้องลงเอยด้วยการที่ไม่ทําอย่างที่เคยทําซึ่งมาจจะให้ต่อความคาดหวังของสังคมหรือว่าของ ครอบครัวคนรอบข้างก็อย่างที่เหมือนมันก็ที่บอ่อนหลายคนเขาก็รว่ตัวเองต้องการอะไรแต่ว่าก็ปล่อยให้เสียงภายนอกเนี่ยมันมาที่ผลกับชืวอของตัวเองมากเกินไปสุดท้ายก็ไม่มีความสุขไม่พบความสงบสถี มันมีคําพูดของนักปลานะอเมริกันคนหนึ่งนะทอรโรนี่ยเบอกสงครามนาตรกรรมของชีวิตก็คือการที่ทุ่มเททั้งชีวิต เ, เพื่อจับปลาและพบว่ามันไม่ใช่ปลาที่ตัองต้องการหมรายความว่าทุ่มเทเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างแต่เพราะว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัองต้องการเลยอย่างแท้จริง ตัวเองในที่นี้ก็มาถึงจิตใจแล้วพวกเราเนี่ยนะถ้าว่าเราจะฟังเสียงภายในได้เนี่ยไม่ว่าเสียงจากร่างกายหรือเสียงจากจิตใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะัคือการมีสตินะเพราะถ้ามีไม่มีสติเนี่ยปล่อยให้เสียงมันก็จะปล่อยให้เสียงภายนอกมาครอบงำ เพราะว่าถ้าทำตามเสียงภายนอกเนี่ยมันก็จะได้คำชื่นชมสารเสริญคนร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จก็มีคนชื่นชมสารเสริญได้รับรางวัลอะไรต่างๆถ้าเราปล่อยใจให้รุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยากที่จะใส่ใจ เสียงภายในซึ่งบางครั้งเสียงมันเบามันไม่ดังพอไม่เหมือนเสียงจากภายนอกเสียงจากสังคมเสียงจากคนรอบข้างเสียงจากพ่อแม่แล้วถ่มาคือใจที่ลุ่มหลงไปเพลิดเพลินไปกับลาบยศสารเสริญแต่ถ้ามีสตินะมันก็จะไม่เพลินไม่ลหลงไหลไปกับลาบยศสารเสริญเกินไปนั่นจะมีโอกาสที่ยังคิด เองถ้ามีเวลาเงียบๆมีเวลาที่อยู่กับตัวเองมีโอกาสที่ได้สดับฟังเสียงจากภายในให้เสียงที่กระซิบเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่ดังขึ้นหรือชัดเจนขึ้นจนทำให้เรารู้ว่าเนี่ยอะไรคือวิถีชีวิตที่ต้องการซึ่งบางครั้งต้องอาศัยความกล้าแนละ้วที่จะ ละทิ้งวิธีชีวิตเดิมๆซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตามาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายไม่อยู่ในเรียกว่ากระแสสังคมหรือไม่มีสปอตไลท์ฉายแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือความสุขความสงบและความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่มีค่า สิ่งที่มีความสําคัญไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองเนะแต่กับส่วนรวมต่อสังคมด้วยเรียกว่าชื่อยมันได้รับการเติมเต็มแล้วพอเราทั้งรู้จักฟังเสียงภายในนะต่อไปเสียงภายนอกที่เป็นเสียงที่สามารถชักนําให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตได้เนี่ยมันก็จะได้ยินชัดขึ้น เสียงของครูบาอาจารย์ก็จะไม่เป็นเสียงที่ฟังแล้วเท้าหูซ้ายเท้าหูหขวาเสียงธรรมะจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะชัดเจนในความรู้สึกของเรามากขึ้นคนที่รู้จักฟังเสียงภายในเมื่อมจากเสียงของร่างกายแล้วต่อมาก็เสียงของจิตใจก็จะมีความสามารถในการที่จะฟังเสียงธรรมะ จากสิ่งภ า, ายนอกลวมทั้งจากธรรมชาติได้แม้กระทั่งเสียงต่อว่าด่าทอนี่ก็สามารถจะฟังให้เป็นธรรมะได้เพราะว่ารู้จักแยกแยะเพราะในใจของเราเนี่ยบางทีมันก็มีเสียงนะเสียงยุแย่อย่างนี้เคยพูดไปแล้วเนะีเสียงยุแย่เสียง เสียงเชิญชวนเ ก, กลี่ยกล่อมของกิเลสทั้งคนเราบางทีก็แยกแยะไม่ออกมกันนะถ่าเราอะเราไม่รู้จักฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงบางทีก็ไปหลงเชื่อเสียงยุแย่เสียงหวานล้อมของกิเลสก็เข้ารถเข้าพงไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีสติมากพอที่จะใคร่ครวนแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงที่มันจะพาเราไปสู่ ผลทางที่ดีงามหรือเสียงอะไรที่จะพาเราเข้ารกเข้าพุงแต่ถ้าเราหมั่นคล่ควรหมั่มอนตนอย่างมีสติเนี่ยมันก็จะเริ่มแยกแยะออกรวมทั้งแยกแยะระหว่างเสียงของกิเลสเสียงยุ่แย่กับเสียงของความตื่นรู้ เสียงของปัญญาเสียงของโพธิจิตแล้วต่อไปมันก็รวมทั้งก็แต่ให้เราได้ชัดเจนนะเสียงของธรรมชาติเสียงของธรรมะที่แสดงตัวออกมาจากธรรมชาติรอบตัวได้ไต้องมันฝึกนะเอาไว้นะฟังเสียงภายใน เสียงของกายเสียงของใจโดยสายสัตติเนี่ยนะเป็นตัวเป็นสื่อเป็นสะพานที่เปิดโอกาสที่เราได้รับรู้เสียงเหล่านั้น